เราทำิดสองข้อสามข้ออะไรทีน India, ี้เราจะกลับไปขอความาโทต่อขบวนรมัสสดาให้พระทูตสตางหายผ่าตมาบอกขบรมสิขทราบถ้าเกรทัพจะมาขอคํามอาโทนเราจะมาทาวัดเราถึงมาก็ไม่ถึงเราเรอไมอุปสคในการทางอเดรทัพแปบนี้จตุปในกางเนื้อโอเดรทัพมาหาเรามาถึง ก็พอดีพอมาถึงกลางค่ำก็มีโบสถคารณีมีน้ำพระทั้งหลายก่อนนห้ว ok ่อน้ำแล้วก็ลงเตียงลงวางไว้ที่น <speeding Mater ials> ี่จะกอดถพวกเราแต่ของกองน้าแต่องพวกเราก็ไปกองน้ํามชั้นนพอพระทั้งหลายลงไปเดี๋ยวนี้ก็สูบเตียงไปสูบเตียงเข้าไปสูบเตียงลงาไป พระเว้าถ้าจะยืนขึ้นเออเราปิดพระองค์แล้วเราปิดพระองค์แล้วพวกแง่คอขึ้นแต่ดิดัจมลงไปจนเหียงแง่คอขึ้นสิ่งนี้ราวสิด์อาภรณ์เราทุกข์คอขึ้นเราจะเอาคางนี่แหละบูชาพระบรมสาสดริกาตุแล้วก็เลยมุดลงไปในทะเล นี่มันเป็นเรื่องของพระเทวทัพของโพธิรักมันมีปฏิปทาของพระโพธิ์ของพระเทวทัพแลังสือที่พระโพธิรักแต่งแล้วปู่มหามาให้เอาเข้าผ่านบัตรสวยๆเอาไปขาไฟทิ้งมันพูดดีแต่มันมันพูดแต่ข้าวสารทีโอ้โหแล้วปู่มหาไม่ให้เอาเข้าเลยไม่เอา ไฟเผาทิ้งเลยดึงดก็ที่ว่ า, ายอย่างือไม่แล้วผูดที่ไม่รู้จักก็บอกว่าถูกแต่มันก็ดี่ยงังหนึ่งเมื่อในชั้นเนื้อโครกระบืองก็จะไม่ได้ตายด้วยมากมายแต่ว่าเขาไม่ได้ฆ่าไหพระนะทุกวันเนี้เพราะฆ่าไหโยงกินจักรา เขบอกว่าพระอันกินอะไรก็ได้เป็นงานต่างๆเหมือนกันเราก็สังเกตเหมือนกันเป็นงานเช่นเขาแต่งงานพวกคนนอกเหมือนกันสาหรับพระอะไรท่านก็ไม่ว่าหรอกเขาอะไรสําหรับคนสําคัญเขาว่าอะไรเขค่าให้คนกินเขาได้ค่าให้พระกินถ้าถาว่าค่าให้พระกินพราบอรมสารีรามมาให้ครับด้วยด้เหตุเอ่ยด้วยในยินเอ่ยด้วยมีผู้บอกและเชื่อว่าตามเป็นจริงด้วยสงสัยและรังเกียจไม่ควรจับขัดขืน ได้ยินเขาว่าค่าปลาคือค่าสับค่าเนื้อหรือค่าปลค่าปลาให้ผ่าฉันอย่างนู้เมื่อได้ยินอย่างนี้อยาไปฉันอั่างนี้หรือเขาเล่าให้ฟังก็อยากไปฉันหรือสงสัยรังเกียจก็อยากไปฉันถ้าไม่สงสัยรังเกียจเขาขายตามตลาดอยู่แล้วถึงว่าไม่ชินเขาค่ากันอยู่แล้วก็สงสัยไปเลยเห็นฉะนั้นจริงว่าทิศสุ ยังไม่เที่ยงนะพออยากฉันเงี้ยเนื้เดี๋ยวบางทีจะถูกเงี้ยมนุษย์หรือเงี้ยหมูเงี้ยหมาหรือเงี้อหมาเนี่ยสุนัขเงี่ยสุนัขทําไมถึงห้ามเพราะเป็นสถานที่จับก็เลยห้ามเนี่ยห้าทําไมถึงห้ามเพราะอ้อเป็นของสมเด็จพระบรมราชาค็ใช่ห้ากงนั่งขัดก็เลยห้ามเงี่ยมนุษย์ทําไมถึงห้า ว่าเราเป็นมนุษย์มันกันไม่ควรกินเนื้อมนุษย์ถ้ด ก, ก็เลยห้ามเนื้องูทําไมถึงห้ามเมื่อเวลาเราไปอยู่ในป่ามันถูกกลินมันจะมากัดเราเนื้อมีก็เหมือนกันเมื่อช้างเนื้อวากันเป็นขอพระบรมไรคาห้าห่านแล้วเนื้อหน้าศรีเสือเหลืองเสือดาวเหมือนกันเสือโคร่งเหมือนกันเมื่อเราไปอยู่ในป่ามันถูกกินมันจะมากัดเราตะพูดนะเะโกนลมปราณกระดา แต่ยินนะที่พระพุทธเจ้า ก, ก็ออกมาปฏิบัติแล้วก็มาอยู่ืนยันว่าคณะสงฆ์ทั้งหลายปฏิบัติยอดกว่าเราถ้าว่าท่านปฏิบัติไปยิ่งเยลือมจะกด้อภิธรมเรือนนี่ทางเลือกการกรรุกดูกาตัวหนึ่งเลือกหยากจะให้เศษยิ่งกว่าเพื่อนกันจึงไปเก็บเอาคน ห อ, อนและขนหางของนกยูงที่ร่วงหลุดอยู่ตามป่ามาแทกแซงขนของตัวแล้วก็เข้าไปหาพวกผงกาพวกผงกาเห็นว่ากาตัวนี้เยอะจริงปวดดีก็เสี้ยวจิกตีขับไล่ไมาให้เข้าพวกเลยไปหาฟองนกดูงฟองนกยูงเห็นจำได้เ่าไปใพวกของตัวกจิกตีขับไล่นี่อันเดียวค่ะนี่ทางเดียวนี่สอนให้รู้ว่า กานเรเย้ยยิงจองหองและอวดดีย่อมเป็นโทษไม่ว่าที่ไหนจำได้ไหมจำได้เป็นคนเก่าขนาดนี้จําจำได้จนะ่ะที่ทนันที่ศกทีสปะเขาเขาเรียกใช่ที่ศพเขาก็เรียกจำได้นคนขนาดนี้หัวเทศบวชของเราในอุ ป, ปชาบวชในคนชื่อสุไม่สุ รือสงฆือคณะเป็นอุปชาได้มันมีอุปชาด้วยมันกอมถูกถ้ามีนายมีอยู่คนที่มมนปวดปวดมีหลายตัวนี่นะที่บกพระใหญ่พิดกในนพระวินายพิดกทำแบบนี้ก็หรือว่าไม่เห็นทางก่ใ ท่านก็พูดว่าไม่กงมาซื้อา้า้ท่านหรอกท่านไม่เป็นพ้าจะไปเวลาซื้อ้าให้มันทำไมกพูดยมันไม่เป็นพ้าอยู่แล้วเวลาศืกษา ท, ทําไมเป็นพิษพูดเราไม่ถือว่าเป็นพราไม่ต้องเวลาซื้อขายแต่ก็ไปเอาบริขารของพรบรมรสารดรามมาใช่แต่นี่มันก็ผิดนก็ ทำไมเป็นแ น, นีน้แต่ก่อนก็เคยบวชบวชที่คณะธรรมรุธทีนี้ตรบบะระเบาแว้งต้องใครมาาบวยอารกับเราคณะพันอาจารยดีดีต่กบบะกะเบาแว้งกันอย่างเป็นเลยลาสิก้าออกมาเลยนานทีที่จงบวชอู่ก็ไม่ทราบบวชทา้งนี้นไปนานอะไอยู่ มีผู้ทหารอยู่ด้ยวยผู้ทหารสเพียงไหนก่อ็ตามเราก็เหมือนกันท่านผู้อื่นก็เหมือนกันกรรมและผลของกรรมมีอํานาจยิ่งกวา่าบุคคลใดๆในโลกทาดีได้ดทำชั่วไ ด, ด, ด, ด้ต้องเชื่อกรรมและผลของกรรมถ้าทําให้ถูกมันก็ไปในรอดจะเก่งทางกระปั้นสักเพียงไหนก็าตามจะเก่งทางอาวุธยุทธภัณฑ์สักเพียงไหนก็าตามถ้ามาันเป็นธรรมมันก็ไปในรอดเหมือนกัน อย่างนั้นพวกมีอาวุธยุทธภัณฑ์ก็เป็นเจ้าโลกหมดพระบรมสารีราของเป็นพระพาะสารีราไปไม่ได้เพราะจะถูกรางควเขาด้วยอาวุธยุทธภัณฑ์าาเขาเนะชื่อกแล้วผลของกรรม็นของดีเจ้าก็เหมือนกันท่านก็เหมือนกันผู้อื่นก็เหมือนกันกรรมและผลของกรรมเป็นสารไต่สวนในสารจัดสินอยู่ในตัวถ้ากรรมและผลของกรรมเป็นของไม่จริงเราก็ไม่ยอมเชื่อพ ร, ระพุทธศาสีราเหมือนกันนะ่ ที่เรานับถือเรื่องดีเพราะพุทธศาสนายอยากมันเกิดจ้าก็กเพรากะกรรมในคนของกรรมมันเห็นธรรมตาอีกด้วยแม่ตัวของเราก็เห็นอยู่กรรมห น, นตอนไหนที่เราทํามาดีมันก็อำนวยมาเหมือนกันเราอายุจนเกลี้ยงเกลี้ปีแล้วกรรมตอนไหนที่เราทําให้ดีในเวลาหนุ่มมันตามมาถึงแล้วตอนไหนที่เราทําดีมันก็ตามมาถึงปัจจุบันไม่ว่าไปชาติก่อนหรือชาตินี้นะนี่ เคยจับโคตอนช้วยเขาเนี่ยมันตามมาแล้วนได้ใส่เข็มขัดขังงูไว้นี่ใส่เลือได้ใส่เข็มขัดหัวงูไว้นี่นี่นี่นี่จับโคช่วยเขาเขาจอดใส่เลือดมันก็มาระเบิดขึ้นสองพันห้าร้อยยสิสองเลยไม่ทาร้ายตับ ก็าหลอกไปจนถึงเขาหลอกไ ป, จ น, กไป จ, นจนถึงโรงพยาบาลเซมิสติเวตไปถึงโรงพยาบาลเซมิสติเวตเขาก็มีนยโยบายเหมือนกันเขาเก่งเหอกนกันทุกอย่าไม่ใช่เขาไม่เก่งการเขาหลอกไปเขาเขามีาพระคดีว่าหลปู่นี่จะเท็จจริงจกเทียงไรคนว่า น, นอกขอคาเอง ไม่เคยไปโรงพยาบาลนั้นพอไปถึงแล้วจนมูงรับประท้องผ่าเขาวงจะพิจารณาจากนั้นเขาก็เลยหลอกไปก่อนที่เขาจะไปเขาก็มีหน้โยบายหนึ่งครับขอให้น้องปู่ทรงภาวนาลูกๆกันนานไปเช็คโรคที่โรงพยาบาลก ร, รุงเทพเขานึกถึงน้องปู่มากน้องปู่นั้นน่ะเรียนใจมาลูก เขาเอายาอะไรที่ไหนามาให้คนฉันกตัก๊บก็บตั๊บก็ตั๊ว่ามันขาดอะไรมันควรเพิ่มยาอะไรก็ต้องไปตรวจโรคเดียวก่อนเอาลงปู่นะอ <c oughs> ุบายของเขาที่ลุงปู่ก็ตอบเขาว่าเออเขอก็คนอยู่ที่คิดลูกห ล, กลานออกนโะยบายแต่ลุงปู่ไม่ได้ยอมนอนข้างคืยในโรงพยาบาลเนอะลุงปู่จะกลับมา จะไปโรงพยาบาลที่ไหนต้องผูกเพไม่ยอมนอนข้างคืนในโรงพยาบาลไม่ได้ดังเกียบโรงพยาบาลแต่ดังเกียบเพศเขาดังเกลียบใคะฮะนังเกียบใครดังเกียบเพศของตนเพราะเพศของตนไม่สงข้นาน่าทิ้งไปนอนในโรงพยาบาล <c oughs> ทีนี้ถ้าจะไปกรุงเทพมันก็มาให้ทันแต่ก่อนเคยไปตรวจที่ตะกอนรับความก็กลับมาในวันนั้นไม่เมื่กลับมาในวันนั้น ในเวลาเป็นโรคลำไส้ในสมัยสิบปีกว่าเป็นโรคกระเพาะไม่ไดงานข้างคือแต่ก่อนก็นึกว่าจะสมาทาไม่ไปโรงพยาบาลเองด้วยแต่ลูกๆและหลานยเขามาวิงวอนถ้าหากว่าลูกปู่ไม่ไปโรงพยาบาลก็ตัดทอนทางลูกๆและหลานเพราะลูกๆและหลานไม่ได้เป็นหมอไม่รู้ว่าจะใส่ยาอะไรตัดทอนทางลูกหลานขอให้ไปโรงพยาบาลขอให้ไปตรวจโรคบ้าง พอพวกคุณหมอเอายามาให้ถ้าพวกคุณหมอไม่บอกก็พอจะสังเกตได้ว่านี่ยาอะไรชื่ออะไรเราก็พอจะไปซื้อซื่อน้ำซื้ อ, อะไรเขามาให้มันก็ยังดีอยู่เขาพู ด, ดเราเลยจนมันเราก็เลยยอกไปที่แรกเราไม่จะไปลงพยาบาลแค่เลยนะนี่เขายังวางยาข้า ง, ขงเขาเลยไปทีนี่พูดอันนี้จะไปอีกอนึ ถ้าอย่างนั้นเราก็กลับถ้าหลวงปู่ไม่ยอมไปถ้าหลวงปู่เป็นไม่ยอมไปนอนข้างคืนหลวงพยาจะนอเราก็ต้องกลับเขาก็กลับไปแล้วเข้ามาอีกทีองถวัลมามานอนกันเองเูกๆปเป็นเพียรเขาไอ้นี้จะกลับในวันนี้เองจะกลับในวันพุนี้เองก็วันพู้่งนี้ก็ต้องตื่นขึ้นแล้วก็ไปฉันอาหารที่โอเวอร์แล้วก็ แล้วก็เหินฟาไปขูดอย่นแล้วก็กลับในวันนั้นขดอย่างักลับทันกลับในรถไฟเขอยางน้จะซื้อรถนอนให้ขอูอย่างนัแต่ว่านั้นเราก็ไม่นอนนรอนนอนตรอดคืนเลยที่นี่พอไปพอไปั้งสามโมงเท้าพอจะขึ้นจะวิง ก็มีพระนงข้อแก่พระนุ่งแก่ออกจาก้อแกข้าไปพอไปถึงนก็ประมาณ5โมงเช้าแต่เราไมไดเอานาฬิกาไปไปเขาก็ดึงพอเขาลวงพยาบาลเซนิเตสเซนตอนนั้นกอยิ้แยกกแย่มใสโชคตั้งนานวางใจดีกว่าเออล่องปูมาเน่ล่องปูมาแน่ไม่รู้ว่าเขาไม่จัเวลาไหนหลงมากล่องปูมาแน่ล่องปูมาแน่ล่องปูมิน่ิ้งพเขาที่หลอกเราไปเขาก็ไปหมอดึ AA ่ต้นสาเอาเกย์ไว <dig> ้จะจะถุกเผา ขอตรวจรูปอัญชักของน้องปู่เออจะตรวจรูปอัญชักก็มามาประมาณถึงแล้วก็หน้ามึงสวยงามหนึ่งแต่ปอ่ก็นึกว่ า, า, ก, าวก็ามาเช็คโรอัดอื่นทาไมตรวจประมาณนี้จะให้มันเสียื่อหน้าของปูนะเห้ลูกขอดูเสียก่อนพูดดีนะครับคือแยกแกมใสเหมือนม้อ น, นี่แนหะ <c oughs> นี่คุหมอนี่นะคนหนุ่มหรือแกก็ขนาดนี้นะ่ะ แค่พอถ้าเขาจะรูะ้อันนัเวลามันลงมันข้นเวลามันขึ้นก็นใช้ความครับ่าสักต้องปูกสามสิบนาทีอย่างมากสิห้านาทีจะให้เสร็จน้องปลูกลูกๆนันล้า น, านจะผ่าให้ ย็ดเยดเดียวเย็ดเ็ดเดียวเย็เย็ดเดีย ว, ยดดยวไม่ไม่มาต้องสัญญาสรบใสย่ยาชาเขาพอนี้วเออขอขอบคนแล้วถามมาฝากเดี๋ยวอะไรูพราะลูกน้านมีเหตนาฬิกาดิูงพวกลูกๆร้านนั่นใช่ว่าคุณหมอถ้าคุณหมอเน้่มันไกลเกินไปแบบพูดแบบรูกๆร้านแล้วพูดยังไงขอบขอ ลูกพวงลงลูกมาที่สามประเดินงานน้องไอ้ผาตักก็ลูกปูได้สมาทานเนี้ยถ้าว่าลูกปู ผ, ผาตักอยู่ที่นี้พุ่งนี้ลูกปูโคตรจเป็นเขจะได้นอนในนี้ถ้าว่าผาตักในที่นี้เราก็กลับวัดในวันนี้แล้วก็ดำดินไปวันนี้โผขึ้นที่ วัดนึ่งลกปูก็ไม่มีประตูอยู่เพราะมันเสียสัทรามเพราะลูกปูยืนกันว่าความักแบบใดเป็นดีตรงที่รักษาสัตว์ของลูกปูจะเป็นทุกคนที่ยังอยู่เสียชีวตีกว่าเสียสยชีวประวัติก็ต้องเสียชีวิตจนมี่วยลูกปูคนนี้รู้ว่าสันิแล้วตั้งสัดเสียบนี้คงมาตัดคอต้องกระต่าถ้าเราตั้งสัตว์ว่าจะไปผูกคอตายเราก็ต้องไปผูกคอจริง มันไม่มีประโยชน์เราก็พลิกเสียมันก็ไม่เป็นปัญหาอัไรอันนี้ถือว่ามันเป็นประโยชน์แก่พ่อไม่ของเราเพราะเราพอแก่แล้วท่านอยู่ไก็จะรอทีนี้เรื่องไม่ขาดาดั่นอธิบายในเรู้องความึมันมีเนตุยังไงบ้างแล้วพอตรวนตัวเป็นเองหรือมีผู้อื่นมาลวงพอตร้วมันเป็นเองในตัวเองไม่มีใครมาลวงนี่ ถ้าเราผ่าเราตัดลูกๆนั่นลางเขาตามมาเขากตามมารักษาในโรงพยาบาลเรามาติดคุ้ก่อนเขามาปิดคุกด้วยแล้วก็หนักใจอีกอันนี้เพราะมันไม่หายง่ายคนแก่อย่างน้อยก็เจ็บวันหรือสิบวันหรือยี่สิบวันมีข้อนึ่งข้อนึ่งอีกคนแก่ถึงขนาดนี้ถ้าผ่าบางคือพหายบางคีอพ่อตายถ้าตายในโรงพยาบาล รกระโงเขาจะไซื้อสมกดาขึ้นไปภาอีสานก็พาลุงลูกหลานลำบากถรักนี่ข่อยข้อหนึ่งอีกอลุวปู่มั่น <c oughs> ท่านก็เป็นโรคฤทธิ์ดวงทวรรหนักตีมาไฟเดือยกายก็ไป ก็มาเห็นท่านไปในโรงพยาบาลที่ไหนอันนี้ก็น่าพิจารณาอีกครกัรและอีกประการหนึ่งสิ่งที่มันน่าพิจารณาในส่วนตัวนี่คือว่านี่ไม่ไ้หมายให้กระทบก่ะเทือนพาโลกพูดเฉพาะส่วนตัวคนเดียวพูดตามทาระของตัวเองรู้จักประมาณตนเองพระบระมศาสดาฉันมุวงองนายเป็นถ้ากะมานหมดแล้ว ก็ทัดเจพระ น, นเ่ศตอนในเมืองกุชินารานในวันนันตื่นเช้ามาพบท่านพอเข้าสู่ในป่าก็มาเห็นท่านไปโรงพยาบาลที่ไหนท่านก็เอานางรังทั้งคู่นั่นเองไปโรงพยาบาลตั้งเตียงไว้รักบิดหัวไปนางราง้างหนึงหงงน่งก็อยู่ทางเท้าต้นหลังอยู่ต้นหลังสองต้นโน้นใส่กันอันนี้ก็น่าพิจารณา ย, ยและอีกอย่างหนึ่ง แล้วว่าเราประพฤติดเดี่ยวอยู่ในภูในเขาเพียงมาตรวจโรคในโรงพยาบาลก็ใหท่านก็ทัดสลวงตนเองที่มาก็อุตสาห์ลับหูรับตามาก็เลือกระอายอยู่เหมือนกันมาอย่างนี้ก็ดีไม่แค่มาแบบปืนฝ่า ย, ยลแล้วพูดว่าเราประพฤติดเดี่ยวปฏิสต่อความรุ่งความตายอยู่ในภูในเขา ถ้าเป็นพ้านักเรียนหรือพระ อ, อยู่ในบ้านก็เป็นปะธานหนึพระ อ, อยู่ในปูในเขาแสดงตนต้องเป็นผู้ดเดียวเวลาจะตายก็กกกวิ่งมาเี่กวขางคนในโรงพยาบาลอันนี้มันก็ทับตัวตนเองแล้วไม่มีใครว่าตนเพราะว่าให้ตนตนว่าให้ตนนี่ ม, นมันมันมีใีรแก่ถ้าไม่ ป, ปฏิบัติการถ้าคนอื่นว่าว่าให้มันก็ต้องมีประตูกแก้ข้อนี้สาคัญมากข้อนี้เพราะลูกปูม่มันมีเหตุผลอย่างนี้ ทีน <là> like ี come, ่ถ้าเราผ่าเราตัดต้องรูก้ลหลานต้อโยมเขาเขาหาเจ่าเย็นๆเขาก็ต้องมารักษาเองถ้าเขามาก็เปรียงต่างเขาถ้าเขาไม่มาก็โดดอะไรอยู่รู้ละานก็เหมือนกันพวกพวกเป็นผ้าเขาก็มาตกนรกกับเราอยก็ธรรมดาลิงข้างมันอยู่ป่าเอามาไว้ในเมืองอย่างนี้ในพระนครหลวงหรือในเมือง มันก็เท่ากับปคุกอีกเพราะเราอยู่ในวัดในวาของเราเราจะเบื่อกายอยู่ยิ่งไปที่มาก็จะดวถ้าเราอยู่ในโรงพยามาเราก็ต้องมีพยาบาลอะไรต่ออะไรสารพัดนักปบนักไก่ยิ่งนักปวยแง้มไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ใช่วัดป่าของเรานี่คือขอสำคันว่าธรรมาดาใจป่าถ้าเอาเข้าไปไว้ในเมืองมันผิดนิสัยของมัน มันก็ไม่เป็นท uh um. ี่สบายของมัอันเดียวพ่ะย่อะไรนะครูเขพูดมัดตัวเองหมดมันก no ็หมดทุนเปล่าเาเขาเลยพูดเลแต่ความจริงของเเขาเป็นอันที่ไม่ใช่วะเออูเนี่ยมันพลาดไปถ้ากูไม่ได้สมาทานคูก็จะเทียไปไปผ่าไปตัดมันก็ไม่มีในหัวใจเลย ยอมตายใช่แล้วตายก็ตา ย, ตายมันยอมที่แล้วงานมันเป็นางานต้นในงใเาในที่พูดนี่ไม่ได้มาให้กระบ่ระเตือนครูอาอาจารท่านผู้ใหญ่ครูอาอาจารย์ท่านผู้ใหญ่ท่านไปที่ไหนท่านทำประโยชน์ในที่นนเช่นลวงปู่อนท่านก็ทาประโยชน์นเรามาทาประโยชน์เหมือนหลวงปูยไปที่ไหนก็ไปนักที่นั่น ไม่ได้ทประโยชน์ให้คนส่วนรั่วไปที่ไหนก็ไปราเขาเฉยไม่คุกค่าอา ร, รยตาสภาชาตุเขาดจับประมาณของตนยังประโยชน์ใสนสาเร็จอาจารย์าตาต้งว่าเราว่ารสชาติากู่ยอดจับตมบัดบริวาและความมีงคุณธรมเพียงเท่านี้เท่านี้เอรนรุนตัวน้ควรเสียกังที่เป็นอยู่อย่างไรมอนมีอยู่มันจกัก นะครับว่าเรานึกอย่างนี้แล้วเขาลบทำความนี้ทําที่เราเจ้าออกมาพิชญามันก็ม <c oughs> <c oughs> ีเห็นช่างาาขี้ก็ี้เห็นช่างเยี่ยวก็เยี่ยวเขามาดูนึกอย่างนี้นึกแต่ของปลูกมัดเจ้าของเอง เหตุผลอย่างแกมาตกอัเนี่ยแกมาตก่ที่ถามหลวงปู่ใช่ไหมเรียนอะไรเรียนตักบาทคือว่าผมยังสงสัยว่าเวลาเราทำมูลตักบาทพระควรจะยักขาให้ให้ผมไหม มันเป็นธรรมเนียมมารยาทของพระถ้าหาว่าโยมต้องการพระก็ควรยักษาให้ถ้าว่าโยอมมาต้องการครบเต็มใจแล้วไม่ต้องให้พรก็ได้ก็ไม่เป็นปัญหาอันนี้มันเป็นเรื่องมารยาทถ้าว่ามาให้ยักษาให้พรเมันได้บุญไหมมันก็ได้อยู่เหมือนกันแล้วทำมาปมาเนี่ถ้าให้พรเรามันทำไมมันถึงเป็นบาปเคยต้องเป็นบาปใช่ไเนอะ ก็มันมีใครให้ให้พ ร, ร, รเราลืมตากอเข้ามันมันเห็นอย่างนี้ก็ไม่มีใครให้พรเรารับตาไว้ไหี่ยใครให้พรให้มันมืดมันก็เมื่อสวดกาให้พรมันรักษามารยาท ต, ตางอายุวันโหรถสามฝรัร่งจงระตุปปุตมเน้อทําให้คนนั้นใจดีแถมเมื่อให้พรมันก็ได้วันอยู่คือมันอย่างนี้ครับที่ไหนอะไร พระที่มาบิณฑบาตโดยมากให้พรก็มีพระบางวัดวัดหลวงปู่ศรีที่ไปสร้างใหม่ไม่ได้พอรอันนี้ผมสงสัยมาคุยกันนี่แปล ว, ว่าหมอนี่บอกเดี๋ยวมาถามหลวงปู่อะไรถามว่าเรื่องให้พรมันเป็นเรื่องปฏิปทาเป็นบางท่านเรื่องมาให้พ็ ม, มีปฏิปทาเป็นบางท่าน แต่ความเป็นจริงจะให้พรหรือไม่ววให้พรช้อนล้อมพระมันก็ไม่เบียดเบียนใครอยู่แล้วมันก็เรียกว่าให้พอรอยู่ในตัวแล้วอแล้วให้พรเป็นเรื่องธรรมเนียมเนยรียกสามัญญาคือเท่าที่ผมเห็นเวลาเราไปทาบุญทําทานที่วัดเสร็จแล้วพระก็ยะถาให้ให้พรให้ิีลไม่อว่าไปถอดกระถิ่นทอดกระป๋าท่านมาชักแล้วท่านก็ให้พรแ ผมเข้าใจเหตุผลนะทาแบบนั่นก็ถูกถ้าไม่ให้พรก็ถูกถ้ามาให้พรก็บอกให้เขารู้จักซักําหรับพระต้องอธิบายให้ฟังเหตุที่มาให้พรคือเป็นอย่างนั้นอย่าให้เขาสงสัยเพได้ให้พรอยู่ไม่มีกลางวันกลคือเพราะแผ่เมตตาอยู่อจะมาให้พรอยู่ไม่มีกลางวันกลคือเพราะอาจจะมาแผ่เมตตาอยู่ก็ต้องอธิบายให้โยมฟังซักว่าโยมสงสัย เ่าจะไม่ให้เลยหน้าเดียวก็ไม่ถูกไม่ให้พรในวันีก็ต้องอทำตามากษัริเทสักส่วนลอ็อกปูม่านให้พรสามครัง้งเวลาอยู่คนลอ็อปูม่านใบวินทบาด์ตามคำแนะงำของล็อปูม่นสมมติแล้วเไปในบ้านเนี่าทำมาาไว้มาหน้าห้อยเท้ามาหน้าห้อยเท้า เขาไปแต่ของหลวงปูมว่าเขาต้องขาดตอนไปอันนี้เขามาเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มกันแล้วก็ไปเินทบาทไปเวนทบาทนนแหเข้ามานั่งเยอะมากแล้วค่ายพรเขาอยู่ตร่กลางมากออกกากหมูนี่เขาไปหมูนั่นแล้วก็มีมากีเขาก็ไปรุมกันอยู่ที่นั่นมาจากกว่ยี่สิบสามสี่คนเขาก็ไปรับที่นัาที่ค่ายพรเองค่ายพรเขาก็ไปรับอีก สามแห่งแล้วห้พรให้พนในกลางบ้านนั่งห้อยเท้าให้พร น, นั่งอยู่ที่วาดมาห้อยเท้าสำหรับลพบุมาเนี่ยเขาทา ม, มากทีเทศกต่างหากอยู่หมดแล้ออาพุ่มบาทอย่างนี้ก็ห้อยเท้าลงห้อยเท้าลงเหมือนเรานั่งอยู่ในรถในเรือให้พรพอา ม, มาวัดเอง พอมาถึงวัดกลับมาถึงวัดพก็ตามมาส่งบาตรเขาตามมาส่งบาตรั่านก็พาให้พรเอ ง, เองทีนี่เวลาเย็นฉันเป็นหลายครั้งถูกไม่พรแต่ว่าเราจะไม่ให้พรเลยก็ไม่ถูกที่ที่หลวงพระหลวงปู่สีที่ให้พรไมาพรว่ามาวัดท่านมาให้พรหรือมาตามอาหาร พระโยมเข้ามาวัดเราท่านก็ไม่พร อ, อย่างนั้นหรือที่มาให้พรมาให้พรมาวัดให้พร อ, อ, อยู่ที่บ้านหรือมาบินสบาย<ะ>มาบินสบาย ท, ที่ไหนองค์งานมาอะไรไม่ได้ให้พรแต่พระให้พรทั้งนั้นทุกวัดครูมีพระวัดมหาวิการมาที่นี่สายหลวงปู่ชีนี่มาบินสบายพิมตาบอกว่าถ้าไม่ดีมุนท่านก็ไม่อยู่ท่านม า, นารับพรไม่มีใครใสท่านก็จะเดินไปทุกคน ก็จะยีนไปได้เท่าไหร่ก็พอฉะนั้นจะไม่ยืนรอเอาเป็นครึ่งชั่วโมงหรืออะไรเหมือนว่าอื่นแตนี่คุณตาบอกทําไมไม่ทำเหมือนที่อื่นถ้าไม่ยินไม่นิมนต์ก็จะไม่อยู่เลยนะไม่ให้พรวัดอื่นก็จะหาสัปีเลยโยมไปที่ไหนสิที่ก็ต้องพูดทคำนั้นตลอดยืนแล้วจะยืนให้โยมนั่งไหมโยมนั่งโยมนั่งครับแต่สำหรับผมยืนและก้มศีรษะโยมคนก็ยืนคนก็นั่งรับพรจะทายคุณยืนกันได้ นี่ผมเนี่ยย่อตัวรักภมิศาสตร์รับหมายความว่าให้ความเคารพที่การให้นี่ผมนั่งหัวเขา่ามันนี่เดินขึ้นมานี่เกิดตายแล้วปูมันถ้าถ้าวันไหนฝนตกวันนี้ฝนตกท่านต้องยืนให้พอทัดก็อยเขายืนด้วยถ้าถ้าวันไหนฝนไม่ตกก็นั่งห้อเท้า เขาก็นั่งเพราะมันมีข้อไม่หลายข้อหนึ่งเราจะไม่แสดงธรรมเรายืนอยู่จะไม่แสดงธรรมเกี่ยวคนนั่งล้ใคก็นั่งอยู่นธรทศนาปฏิสังขรณ์ข้อสิบสี่เหตุเท่น่อยืนก็ต้องอยืนนะสองฝ่าทางนึงนั่งทางนก็นต้องนั่งแล้วนั่งอยู่บนอนาสนะตาัจกจะไม่แสดงธรรมเกี่ยวคนนั่งล้ใรนั่งบทอาสนะสูง เราดนอยู่จะไมาแสดงทางแก่คนไม่รู้ใครคนนั่งอยู่เราเดินไปข้างหลังจะไ่่แสดงทางแก่คนไม่รู้ใครคนเดินไปทางหน้าเราเดินไปนอกทางจะไม่แสดงกังก่คนไม่รู้ใคไปเดินไปในทางง่ายๆแต่คนตไขยนีแม่คองในมืมีดาบตาในมมีอาวุธ่หึ่งวมแกลงเข้าสวมรองเข้าไปในย่านอยู่นที่นอนนั่รับเขาตันชีสะมีไม้กวาาง พูดเช่นเป็นไข่ถ้าเขาเป็นไข่เนี่ยเขาจะอยู่สูงกว่าแล้วเขาจะนอนอยู่ที่เตียงเราอยู่ต่างๆาก็ปรเทศชนาให้ตั้งได้ดังนั้นท่านท่านจะถือว่าท่านไม่รอมาพอพอมามาทันก็ทั น, ทนไม่ทันท่านก็ไปคงจะท่านคงจะเก่งใจมนุษย์บางท่านก็เก่งใจมนุษย์ เราเนี่ถ้าใครรอนานเรากวมนึกละอายเหมือนกันเนอะเราก็ไปสถานานมาใส่จะบอกท่านคุณอายท่านกินปลาปาเป็นองท่านคือมันอย่างงี้งครับนักศึกษามาใส่บาทมาันมาไม่พรอกันสมมติว่าพวกนี้มา 5, 5, 5้า้า้าคนจะไปแล้วท่านจะไปและนี้พวกหลังมานี่จะใส่ต้องเป็นมวนกันเป็นแบบ เพราะมันเป็นคนนวัขถดคอยก็ค่อยแต่ว่าละอายเพราะเกรงใจว่าบางทีเอาไปเฉพาะองนั่นองนี้เมื่อเวลาเราไปคอยเดี๋ยวใส่องนั่นเสียใส่องนี้ท่านก่อนหนักใจท่านท่านก็นึกละอายท่านก็ไปก็มีบางทีไม่ได้มาพบกันหรอกพระวัดอินมาประนนมาณห้าโมงห้าสิบถึหกโมงหกโมงิบนาทีแล้วจะกลับประมาณหกโมงสิบห้านทีเป็นอย่างต่า อันนี้พระหลวงปู่ีจะมาถึงให้เราเราห้าโมงยี่สิบพอหมดท่านนะครับไม่มีพระเลคือที่บ้านที่ร้านผมก็ใส่บานเป็นประจำวัดไหนมาวัดไหนมายายผมก็รู้จักถ้าเท่าทิ่สังเกตก็มีวัดบรรห้วงวัดน้องไผแล้วก็ วัดบํานุบงมีสองสองสองพวกวัดหนองไผ่แล้วก็วัดสนามบินแล้ววัดสองผูตีวันประมาณยี่สิบองค์โอ้มากูครับแต่ถ้าตามปูตีก็เรายี่สิบ ส, สี่องค์อันนี้บางตัวบางทีก็ตั้งติดขัดอะไรก็มาอย่างต่ำก็มีเรายี่สิบองค์ทีท่มาต้องวัดนั้นก็ต้องให้พรอยู่ทุกองค์แล้วพรยืมให้พรอะไรจึงไป ทนะ่ายนยืนให้พรเราจะงปล่อยอแล้วก็ให้ให้ทุกคนให้ทุกคนแต่ว่าให้แก่ห้วงป<ค>หนึ่งคนหนึ่งคนก็ต้องให้หนึ่งคนก็ใหแต่นี่โดยมากสิครั้งโดยโดยมากเขามาใส่แล้วก็จะคอยนะเว้นแต่ว่าขาดระยะขาดตอ น, นก็เพียงคนเดียวเนี้นี่คนที่มาในบางคนก็ไม่มีธุระอะไรก็คอยรับพรคอยกันปลอกกันหนะแล้จะ จะให้ทอนท่านก็บอกเขเดี๋ยวก่อนให้ครอบครัวเขก่อนให้เขาพูดทัานถูกนะแต่แ น, นี้บางคนที่มีธุระใส่แล้วก็รีบไปเขาเขาเคาเขาก็ามารอครับเขามีธุระเขามีธุระทีนี่เ<ม>ข้ใจไหมที่นี่คนโยมนึกเสียใจเพราะเห็นว่าองค์อื่นให้พรองค์นี้ทำไมไม่ให้ วัดนี้แหละไม่เป็นองค์เดียวะวัดศรีทั้งวัดเลยมาทังวัดมาประมาณห้าองค์ก็ทำไมวัดนี้ไม่ให้ไม่ให้พรวัดอื่นให้พรหมดวัดบุ้งวัดน้องไผ่ให้พรวัดหลวงพูสีไม่เคยให้พรเลยสักครั้งเดียวเวลาออกพิธบางก็เลยสงสัยว่าทําไมไม่เหมือนวัดศรก็อยากจะได้พรหมือวัดศรโอ้โหทีนี้ใช่นะเราจะแก ถ้าอย่างนั้นเราขอรับการปอ่อย ไ, ไ, ไม่กล้ามันอันนี้เรามันจะถือเป็นอาบินหรือะือถือเป็นอาินง่ายๆที่ว่าได้ใส่บาตรแล้วอยากจะต้องรับพรทั้งอยากได้ยินจากท่านข่างอยากได้ฟรโอทำไมพรทำไมใส่จ่ายใส่อาจารย์่ก<ะ>็เคยไปใส่า อายยืนก็เคยเป็นรับบาดอยู่นนอนยืนอยูอาจารย์ยืนยืนรับบาดทุกอายเนี่ยหรอเปลูมันเป็นที่ที่คนมากินข้าวกินข้าวแล้วพระตะแกมยืนอยู่บางทีสายๆเนาะคนมาเรียท่านก็ต้องรีบไปทิศตาต้องเข้าใจเนี่เยอะที่นี้โดยมากคนที่มาทานข้าวก็ไปทานอาหารพระที่มามินบาตแล้วก็น้อยก็ราท่านมาแต่เช้าจะมีทานอาหารแบบพวก มาดูมูซื้อก็คือมันคิดว่าจะช้าเ อ, อ้าก็มีทาหกคนนยก็จะถอยหลังไปหา่างท่นาเนเนาะไม่ได้ไหมติจเต๊ะที่ท่านเดนมาคงก ะ, ะ, ะเป็นคงจะเป็นปฏิปทาของทาง่ทานอ่าอันนี้ใช่น่ยอันนี้งจะเป็นปฏิาของานถถึงจะอย่างไรก็ตามท่านจะให้พรหรือว่าให้พรก็ตามแล้วอ่ามันได้แล้วเนี่ย ม, มันก็เป็นคนละมิติกายอีกนว่นอ่า เป็นคนละ้านเหตุรู้เป็นคนละปฏิปนาแต่พพก็คงม่ผิท่านไมาให้พรก็ไม่ไม่าิดเพราะท่านคงให้พรในใจเมื่อไม่ออกเสียงบเองคงให้พรในใจใรัววนโนน ก, นกลากงพรหลาตามทรรมเนียวของพระธรรมฐานภาวนาไปเนือ้อไปตลอดท่านคงภาวนามาแล้ว ถ้าว่าเมื่อว่าท่านมาให้บอรเราเขาไม่แต่ให้ละยาเนี่มันก็จะตื่นเกิดไปให้ท่านนะเนาะเด็กก็ไม่ดีใจใช่ไหมครับส5่ห้าองนะครับแย่มากกรับหกองลบสีน่ะครับที่วัดท่านจะมีกี่องม์ไหมรู้บ้มีทั้งหมดตอนนี้ท่านมีเก้าลูกมีสอง พระเจดแยกเป็นสองสายในหมู่บ้านก็ในมณฑเทพท่านท่านชนะัเมื่อเดียวองคองค์องค์อื่นท่านะเทนหมัก็นเป็นมังวดฮะมังวดกับนเป็นมังดกับมขันแ่วัเออไันก็ เราก็บอกว่าอย่างนี้เป็นยังไงก็ผมเลือกอยากจะให้ข้าพุทธเจ้าให้พรเป็นวิเคราจะคัดตอบพริประธาขององค์ท่านได้ยังไงข้าพทเจ้าประานัะไรถามซักพราะข้พุทธเจ้าให้พรก็ผมว่าก็บทจะพรับะพรนั่อยู่นี เราพูดสักท่าจะตอบว่ายางไงเ้าก็ลองดูอเออปฏิปทาของอาตมาระอยให้พรอาตมาแล้ให้พร อ, อ, อ, อยู่ในใจแล้วคนโยมเอ๋ยถึงยังไงก็มันมีเรียนในไปเขาคนโยมเรื่องในใจเขาให้คนโยมเป็นโจอย่ทุกเมื่ออยู่แตไม่ได้ออกมาถ้าจะตอบยังไัดูว่ายังไงก็ไม่ครับถ้าท่าตอบยังนั้นพอจะถือว่าท่านติดความมุ่งเนอะ อันนี้มันจะเป็นการตวงครับเพราะว่าจเพราะเป็นการตวงเพราะเราต้องการไงถ้าเราไม่ต้องการเราก็ไม่ดวงเราก็ต้องการบ้าอันนี้มันก็ต้องต้องการรถต่อแข่งตู้รถต่อแข่งรถต่อแข่งนะครับอันนี้มันก็ไม่ถูกเราทำอะไรนี่ทำอะไรไม่ได้แล้วอันนี้ก็ ที่ผมมีความหมายนะคื่อคนอื่นเขาได้ยินและผมได้ยินเองเดีจะมีความมีความอะไรมีความดูครับมีความดีดีเพิ่มขึ้นความหมายของผมนินเออยวไม่ใช่ว่าจะไปทวงนี่วงนี่้วมันัสอบรั ก็คนเราเนี่ะคนเรามีสยมันกะต่างกก็ทาอะไรไปก็อยากจะได้รับความสรเสริญถ้าหากว่าทาไปแล้วม่ได้ยินหูไม่ได้ฟังก็ความปิติมันก็จะน้อยลงความนี้ต้องันะฮะก็ัิัว่าถ้กพระเจเอาหัวสุขังเอหัวสุขั้นไปเลยระราะว่าสายลอนะเหัวสุขังเอาหัวสุข ไปเลยนะครถ้าหาว่าแล้วในความประสงค์อย่างนั้นก็วิงวอนท่านก็ได้ย<ะ>ิงวอนท่านดู<ะ>ดีกว่าเราป่อยให้มันหนักใจดูนะดีกว่าบ่อยเราป่อยให้มันหนักใจ<ะ>วิงวอนท่านขอให้องค์ท่านให้พรให้กับผมด้วยอโอเค ม, มาเขาให้พรพวกข้ามมามาให้พรผมผมก็พรจะรับพรพระวัดป่าอยู่พูดอย่างนี้นะ พูดเป็นแบบพูดเชื่อมกันเลยท่านจะตอบว่าอะไรอันนี้คือความจริงใจผมนะผมใส่บาทที่พระไอพอนะวันวันฝู่สีผมก็เข้าลบผมไม่ได้ใส่เลยแล้วมีเจ้แม่บ้านแล้วก็ลูกผมาใส่หมดเลยที่ผมคนเยียนะไม่ใส่เพราะพ่อครั ว, วให้ท่านเพราะ่อท่านไม่ให้พอ่อ ก็ไม่โกรธนะไม่โกรธโกรธไม่โกรธแต่ว่าความเริ่งใสรู้สึกความไม่คาถาเออไม่คาถาก็พ่อไม่ทารับเห็นเลยกมือไหวเลยให้ทารับว่ามาคิดดูแล้วการให้ทานเนี่ยก็เป็นของฝ่ายฝ่ายให้กวให้ไปแล้วก็ก็ถือว่าให้ไม่ได้รับอะไรอนไรเรื่องนี้ นี่ทางพระท่านจะให้พ ร, ไ ม, พรไม่พรท่านขอให้ความเมตไาปกติว่าะะ จ, ะจะไปเรียกร้องของถถ้าท่านให้พรก็ถือว่ามีสมบูรณไปถ้าท่านไม่พรใจเราผม ม, าามีความสุขเยอะกปกติท่านรอไตวัดทนก็ใ ห, อใหอ้อยู่แล้วถัดไชั้นท่านให้พรแล้วพรชั้นท่านให้อยู่แล้ว แต่ว่าชาไเพราะว่าาไม่ยอมให้พอเรารู้สึเกิดศรัทธาหรือม่ใหเป็นใมีอาินยากมาเป็นมาเร่ยถ้าไม่ยอมให้พยมากให้บัตรนีซึ่งอันนี้มันมันจิตใจไม่ไม่าพอมันจะเป็นคายอยาอดุไปบินฉบาบ้านัต่อไปก็จะเป็นทาเนียงไม่ใช่ทำเรียงคือว่า ทำไปทำมาเนี่ยประบือเรื่อยไปคือกอันนี้มันยากในแม่พรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กล้าเต็มปากรู้สึกรู้สึกมันก็ลำบากนเดี๋นี้ภานที่จะให้พรครับพาคป่าเนี่ยเพาะว่าคนที่คนไปทางปรมาเนื้อท่านท่านไม่แสดงออกและมักน้อยอย่างที่บอกว่าบางทีท่านไม่คอยนานหรอกท่านได้แค่ไหนท่านขอแล้วท่านไม่คอยจะยืนรอเป็นชั่วโมง สามปิบนาทีบพื่อจะให้คนมาใส่หาาน้องม้าม้วนไม่เอาได้แค่นี้ทั้งหมพอแล้วเดี๋ยวว่าก็รู้ว่าทำไปมาเมื่อร่ไปเย็นเจอท่านท่านอาจารย์มหาปิ่นไป็นท่านบาดภูเก็บล่าเอ๋ยผมไปวันนี้เพราะร่าเต็มทีผมไปยืนอยู่เขามามาใส่บาทให้ผมสักทีหมาตัวหนึ่งมันก็ใส่ผมอยู่ทีนี้ผมก็ ทำอย่นี้แต่มันมันก็เห่าผมววาคือเขาก็เลยมาใส่บาดผมได้กิน ด, ด้วยหมาเนื้อวันนี้ผมจะไปยแล้วผมยืนอยู่นานม้าตัวตัวหนึ่งก็ใส่ผมอยู่ที่นี่ผมก็ทำอย่างนี้แต่มันก็ทิ้ขาอย่าใส่แตมันเดินตบเ้าออแต่มัน แล้วก็เขาผมกว่าวกขึ้นเขาก็เลย ม, า ม, า ม, า ม, ามองๆเขาเห็นผมเขาเข้ามาใส่บาทผมก็ินด้วยหมาเยอะวันนี้พูดแต่พอเราทำแต่ว่าเออเขาก็รู้จักกคนคนโยมชอบอ้ายพ่อคนโยมชอบอ้ายพ่อแต่ว่าถ้าคขาม่รู้ตัวเราไม่รู้จอคนโยมไม่พอใจ ถ้าพระรูปตัวของคงจะแจ้งนะ้าพระจะพวกนั่นคมจะเข้าใจว่าคนโยมพอใอยู่ถ้าว่าคนโยมไม่พอใจก็จะพวกนั่นรูปตัวะแงแตว่าปฏิปทาของพระธรรมฐานนี่มันก็ไปอีกเบื้องหนึ่งทัศ น, นารังยาลงสุดฝ่ายทางลง ไม่ใช่าบทาวลทักษินาบางอย่างบริสุทธิ์ฝ่ายบิสุธิ์ดาเลยฝ่าายลกทักษินาบางอย่างบริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายทักษินาบางอย่างให้บริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายนาดีแว่านาไม่ดีก็อได้เกี่ยวว่านาดีก้าไม่ดีก็พอได้เกี่ยวว่านาคดีก้าพนดีก็พอได้เกี่ยวว่าก็กดีมาก นาเขาไม่ดีเล้าเขาไม่ดีคนมีคนง่าทีกพบนานยุทธวิธีให้ทานแกนคนธรรมดาว่าข้างๆๆก็ไม่เท่าให้ทานแกนผู้มีศรรมีลข้างให้ทานผู้มีศีลพระละว่าว่าข้างก็ไม่เท่าให้ทานแก่รรมนิย ให้ทานแกสารเณรรแลาค่างค่างก็ไม่เข้าให้ทานกับพระค่างให้ทานกระพระร่่งคันงค่างก็ไม่เข้าให้ทานสามเณรก็ดีพระก็ดีที่เป็นพระสวดายันให้ทานแก่พระสวดายันร่่าค่านค่างก็ไม่เข้าให้ทานแกพระสัพพทาธานีค่างให้ทานแก่พระสัพพทาธานีร่่าค่างค่างก็ไม่เข้าให้ทาน ต่อพระอนาค <m cuando your sins> ังท่านให้ทานต่อพระอนาคันง้อดข้างค่างก็ไม่เข้าให้ทานต่อพระราหันท่านให้ทานต่อพระราหันยอดข้างค่างก็ไม่เข้าให้ทานแก่พระพักตร์เกศท่านให้ทานแก่พระพักตร์เกศยอข้างข่างก็ไม่เข้าให้ทานต่อพัฒมาเจาพระพุทธเจ้าท่าน ให้ทานต่อพระธรรมจักรเจ้าร้อยข้างพนข้างก็ไม่เข้าให้ทานต่อสงฆ์ข้านสงนั้นหมายความว่านาพิจุนีสงฆ์ด้วยถ้าพุทุสงฆ์ด้วยนายพาิจุนีสงที่เป็นพระอรหันด้วยถา้าพุทุสถุที่เป็นพระอรหันด้วยข้อมทั้งพระพุทธเจ้าด้วยีไอสงอมาเด็กะนั่ง ในระแคบวันดีควรจะมีทาผ้าถิ้นที่กับวันถวายตั้งใจกับถวาย พ, อพอรพุทธมรศาสตร์เวลาราคา 4, สี่แสนสหาประนะ 4, สี่แสนสหาประณนะสาหาประณะหนึ่งเท่ากับ ว, ว่าสี่บาทเงินไทย 4, สี่แสนสหาประณนะก็อเอาสี่เปอูปป์เนนต์แต่เป็นเงินเงินเหรียญจริงๆไม่ใช่เงินกระดาษเหมือนรากวันนี้ ที่นี่นะประาบดีพอถึงวันจะถวายพอทอผ้าเลแล้วก็ไปถวายไปถวายไปถวายเวลากำลังฉันจะหานี่นั่ามันต้องแถวมีพระบัวสอยองมีลูกเตเชื่อพระอาชิตัก ก็ถวายพระบรมสารพนาพระบรมสารพนาขอรับโดยเคารพรับโดยเคารพแม่ขอเอายื่นให้โมกคันยื่นให้สารีบุตรสารีบุตรรับแล้วเขายื่นให้โมกคันลาโมกคันลารับแล้วเขายื่นให้เป็นแถวเป็นแถวจนระดับจุดจนดุดหัวแถวหัวแถวพระองคานั่นบวชใหม่ชื่อพระอชิตังพอผ้ากระตกผ้าทิพย์ขีวัน ราคาหลายแสนสี่แสนสหประฆังตกพระองนั่ง น, นาประชาชยู่พอมัหน่น้าก็ไหลก่เหน่อเราะพระบรมสารีราไม่รับของตนเราแก้งจแฉทวารพระบรมสารีราเราทอผ้ามานานแล้วพอะบรมสารธราที่มาให้ผอื่นนะองค์อถ้เรามาพอใจยที้พระบรมสัรธราเขาไม่จับ ก็ลงจากนกมองวาอิารบาดเสียบาดโยนขึ้บาตรง น, น, น, ร น, รงนี้ถ้าใครมีิสัยเดจะเอาได้นะถ้าใครมีิยเ ด, ดเอาดถ้าใครมีนิสัยเดชมีบุญวัดัน้ำอ่กินเอาได้ไปามีใครเอาได้ไป้ายเอา ไ, ไปร<ะ>้านนี้หมดไปหาหลอาร้านนี้ าาศาสนาบ้านเกลับลงมาตามเจาตัวนา้แบบนานมาแล้วกอเคลาเพิ่มไปนานาแล้ว่อนั้ น, น, าา ย, น, น, ย, น, นยัง เ, เหลือแต่พระผู้ ย, ยู่ท้ทาอชิตตะเธอไปที่นีถึงเวลาของเธอแล้วเออเราเ ป, ป็นผู้มีกิเลสมากถ้าหากว่าเรามีบุญวาสนา ก็อขอให้บาทของพระองค์เรื่องรอยมาในมือของเราถือบนั้นมาตกตกนี่นายประชาชนคู้ที่จะเป็นพระเรียมเมตไตรในอนาคตองค์นี้เนอ ะ, อะเป็นพระพุทธเจ้าท่านนายพูด แปลว่านางได้บริจาคทานหลวงพุทธเจ้าเนอเนี่บุญนีมากกว่าเพื่อนเพราะปลูกของหลวพุทธเจ้ายังมากกว่าสาหริบบนโลกของเราอีกที่นี่พระฝ่ายปฏิบัติทีาา่นี้พระฝ่ายปฏิบัติมันถึงยังไงถึงยังไงคนโยมท่านก็มีไอสงอยู่แล้วเพราะพระฝ่ายปฏิบัติพระปฏิบัติเพื่อคนทุกในวัฒนธรร สายรบผู้สีนี่ไม่ต้องเสียใจหรอกที่ท่านาให้พรนะพระฝ่ายปฏิบัติอยูเแียวฉันมือเดียวอีกด้วยขอดใจพรมาหนึ่นักมาให้พรต่อตาวเขาให้พวมอยู่ในตัวแล้วเพราะไา่จะพวกนี้เนะี่ยไม่ใช่ภาพปรค่าสรัพว์ักชีวิตไม่ใช่ภ า, าพไปหาแผลหาขอสองขาวสองเขียวอะไรก็ไม่มี พระที่ประจบประแจงรับยาขับโยมก็มีพระเฉพาะนี่เป็นพระที่ละอายเป็นานาน ม, มาให้ก็ไปเลยเราก็เหมือนกันแต่มายืนยืนอยู่นานนาน ม, มาให้ล้วก็ไปแต่ว่าเราก็ต้องสังเกตการบินเทปานพระบริมธัตุกลาง ข, ของสมเด็จแม่สังเกตดูเขาถ้าเขาจะไม่มาให้ก็อย่าไปดี ถ้าหาว่าเขาไม่ทันบ้างถ้าเขาเคยใส่เป็นวัดอยู่ก็ต้องคอยสัพพูดถ้าหากเขาว่าเราสงสัยอยู่เรามาเคยไปเราไปใหม่ๆเขานานมาใส่เราอย่าไปยุ่มากสัพพุทธจงจงทั้งเกีติพวกเขาจะให้หรือไม่ให้ตบราศาสนร์ตร า, ร า, รารสดาดอนอย่างนั้นถ้าเขาจะให้อยู่เขาเคยให้แล้วเราเคยไปแล้วแต่เขาทําไม่ทันเฉยๆเราก็ต้องรู้จักพื้นที่ไหนเราอย่าไปโง่สัพพุทธนะ ท่านก็พลาดได้ทำมาทั้งสกศูนชะลอยท่านจะมาเห็นกอท่านให้พรเมื่อท่านก็เห็นก็ท่านให้พรท่านก็คงจะให้เหมือนกันเพราะมันเปคนละเวลาเออท่านจะให้พอรชะลอยรวมจะชอบอย่างนั้นท่านก็คงจะให้เหมือนกันเดี๋ราทำทั้งเกศูนแล้วก็เทพเจ้าของท่านกมันมาได้ให้ละมัไปวัดจึงให้ไปถึงวัดก็ให้เวลาจะฉันให้พรแก่อน มันให้พรรับหลัง <sweet. S 1> ก็ได้บุญเหมือนกัน<ห>เราเหมือนกันกถามพระพุทธรูปแล้วมาได้กราบต่อหน้าแล้วกราบรับหลังเราก็กราบบางทีแล้วกราบพระพุทธรูปมืเพื่อนก็ไปทางหน้าพระพุทธรูปจะกราบเรามาจะไปต่อหน้าพระพุทธรูปข้างเราก็กราบหลังพระพุทธรูปเราก็กราบกราบท่านมาเห็นนั่นอ่ะมันจริงได้บุญมากเราพูดอย่างนี้เราไม่ได้คอยท่านกมบุญรับ พุทธในี่คือเที่หลังเราก็กล่าบหลังพระพุทธรูปเราก็กลาวต่อหน้าพระพุทธรูปเราก็กลาเหอกันที่ไหนมีพรอพุทธรูปล้วก็กราบบางาาาาทีเสีเ่ยงก็อเอามาให้แล้วก็ไปดตา ม, มานะั้นบูทาขอบคุณขององค์ระเนื้อหาเสี่ยต่อหน้าพระพุทธรูปัีน้ำต้าเพราะควา้นึกหัวถ้าไเจ้าแล่นงได้มนนึได้กว่าดี จะขอกราบเท้าตูนถวายในตะคนละกายวาจาใจเป็นข้าเป็นข้าขอพระพุทธเจ้าทำพระสงฆ์อยู่ทุกวันมีประมาก็คนทุกในวาชชานุสานโดยด่วนในชาในเตือนคนละกายตะคนละวาจตะคนในใจขอข้าเป็นเจ้าุทิเป็นลุงมุดลุงพูดให้พระพุทธเจ้าทำพระสงฆ์ี่รถเยี่รถเกียรย่ำถึงเมืองลายไทยเมื่อไปอยู่ทุกวัไม่มีประมาก็คนทุกนาสาโดยดวนในปัจจุบันในชาี้เถือ ไปทำอะไรอย่างนง้ยเราลงใจลงใจเยนี่ผมว่าจะอะไรก็อาไปเจ๊ใจเกิดใส่ไปนี๊ให้คุณโยนลงไปไสเนะได้บุญมากท่านก็ปฏิบัติเพื่อคนทุ่งปั่ไอ้นี้นี่นะครับมันมีใส่คนเราจะต่างกันเช่นอย่างผมมาเขาลงหงปู่้องปู่เข พูดด้วยแนะนํำด้วยอันนี้ก็เพิ่มความตึกาผมถ้าผมมาเขาลบลงปู่ลงปู่ก็นับเฉยเฉยไอความเขารบอันนี้มันก็น้อยลงเช่นเดียวกันถูกถูกอันนี้เป็นความเข้าใจของผมจะจะปิดถูกขาอแนะนำมันก็ถูกอยู่แล้วนี่มันประดุจเช่นเดียวกันเดียวสําหรับความคิดของผมที่จะปลูกพิเศษกเป็นแบบนี้ว่าเดี๋ยว ก็พวกนั่นทัดอย่างนั้นให้ท่านอย่างนี้เมื่อพวกนี้มาทัดมันก็ตรวจใช้วิชาถ้าว่าพวกนั้นไม่ให้พรเสียหมดสูบ ก, กันหมดอย่างนี้นท่านก็ไม่มีจ่าเป็นอย่างนั้นทที่ารมนิตยนาดูว่ามันมันไม่เหมือนกันภาคปฏิบัติในข้าบ้านมันต่างกัน โอก็จายกันหมแต่ผมว่าไม่ให้พอเนี่ยผมว่าไปใส่ผมว่าจะได้ดุมากถ้าท่าอย่างนั้น่าท่านปฏิบัติเพรท่านปฏิบัติเฉยๆเดี๋ยวยถ้าถ้าถ้าถ้าอย่างนั้นก็มีสิ่งที่พูดท่านาดีกล้าดีแล้วอะ ข้ามันก็น้ำข้ามันก็งามถ้าน้ำไม่ดีข้าไม่ดีแล้วขอข้าวจงงามจงสูงเง้ออย่างนี้มันก็ไม่งามเหมือนกันนะจะให้พรจะเตียงไหนมันก็ไม่งามใช่ถูกหมใ้่ก็ต้องซืออนีไปเกณฑ์เราเกณฑ์เตามหาท่นเอแมงวันบ้านกับแมงวันป่าสองสองชนิดนี้เหมือนกันใหมคือยังทาบุญนี่แล้วต้องคิดนาง ก็ทำนานาเรามีน้อยต้องหาน้ า, าูทำตัวไม้วว<ะ> า, ามวโพดตุเราไม่ใช่ข้าวเย็ดกันดอนหลวงปู่จามบอกว่าเราเราไม่ข้าปุูงน้อยเราไม่ใช่เราไม่เหมือนข้าเว็ดกันดอเนี่เราก็ต้องเลือกหาที่ทานหลวงปู่จามพูดนะฮะเรีว่าเรนะาจะไปเลือกที่ไหนท่านก็ไม่ได้เขียนติดหน้าผาไว้ว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิเนี่ย มันก็ขึ้นมันกขึ้นอยู่กับสายตาของเราเองอ่ะมันเป็นคของเราเองอ่ะเนี่ยนะนี่มันก็เป็นหน้านี่บางครั้งนี่มองๆนี่นะบางครั้งก็ไม่น่าดต่เพื่อนท่านนอกัญหาชาร ทำไปขอเอามาก็ตีต่อหน้าเอาเครียดตีต่อหน้าเลยไม่ให้พรเพราะอิจฉาดอนเลยแต่เพราะอิจฉาดอนก็กายดีเพราะพุทธเจ้าไป น, นี่บางท่านก็บอกว่าการให้ทานไม่ว่าอิมานี้ย่าเ ห, หน้านนี้มันไม่ไมันมันได้บุญไวหมแล้วก็ตอบว่าได้บุญมันขึ้นอยู่ที่กับใจของเราข้อใจของเราบริสุทธิ์แล้ว ให้ทานหยาหน้าก็ไม่หยาดน้ำตรวจน้ําก็ไม่ตรวจน้ำไม่คิดกันยังไงแล้วก็ตอบว่าตรวจน้ำกเป็นตรวจน้าถึงน้ำใจก็คือเพราะเอาน้ําเป็นขยาเวลาให้ทานอยู่น้ำใส่ไปดีอย่างนี้เวลาให้ทานเนี่ยเพราะน้ำใส่ไปดีอยู่ไม่งช่ชงใส่ไหนมีน้ำใส่ไปดีแล้วเอาน้ําเป็นขยาการที่ไม่ตรวจน้ํามันก็ได้วนอยู่มันจางถ้าอย่างนั้นเราเริยนโยกมีควานาเราก็ต้องตรวจน้ำไปคิ ก็เอาน้ำไปจักค่าหาโขหานะเดินไปไปนี่พระเวสสันดรให้ทานให้ทานผ่ามปัญหานี้ชาลีนี้มรกคผลที่ผ่านนี้ท่านก็ไม่แนยว่าท่านก็ให้ไปเลยแล้วก็บอกว่าลูกเอ้ยพ่อก็รักลู ก, ล, กลูกต้องช่วย พ่อข้าบารมีเจ้เถอดท่านก็พูดอย่างนั้นแต่แก่พ่อเน่ยรักรักโวท่สบานมากกว่าลูกแต่ลูกพ่อขรักอยู่แต่ลูกจช่วยพ่อข้าโภที่สบานเถิดพูดกับลูกนะนางการหาในชานั้นล่ะสาแท่งพ่อว่าพ่อให้ทาน ถ้าจะให้ทานจริงก็ขอให้พระมาร น, นามาเกิก่อนเขจะฆ่าเออถ้าพระมารดาของเธอมาแลว้วเดี๋ยวเขาจะมาขัดข้อมันจะ ส, ะสนุกผลการนางกันหาก็เลยสาแค่ข้อก็อยากให้มาเกิดอีกเลยกับปอยหนี่มก็เลยไม่อยอยว่าน่าเกิดสมัยพระพุทธเจ้า เป็นพุทธเจ้าชาติเป็นหลวพุทธเจ้านางกัฐไม่ได้มาเกดงานกนัฐเลยกลายเปเป็นนางอวบนั น, า, นาไปเกดตะูอื่นก็ตั้งแต่พระราหนคนเดียวเห็นแ้จริงได้บุตรพระาหนคนเดียวนากก็ไม่ได้แต่พอเข้าสู่มระนครในชาติเดียวกันนั่นเองกผมเคยไปกราบหลวงปู่ศรีทุณวัตรจะทาบุญท่านท่านจะเรียน มักได้ยงมาเขียนบัตรสมมนาคุณแล้วท่านก็เรียกเอาบัตรประชาชนของไปแล้วก็เอาไปแผ่เมตตาจิตนี่ผมมีความเงินใสอย่างนี้ก็ค้าคๆกับว่าท่านให้จินได้ก่อนผมอืทีนี่ผมก็ตั้งใจว่าถ้าท่านมาจําาษานี่ที่นี่คือถามกันแล้วว่าท่านไปจํำภาษาอยู่มาเงเซี่ยถ้าท่านมาเนี่ยเมืองเดี๋ยนะเมืองเซี่ยไเอานะ ผมจะไปถามท่านที่ท่านยังไม่มาที่ผมมีจิตใจอย่างนี้นเพราะเห็นท่านปฏิบัติที่ผมไปที่วัดท่าน mm hmm. ผมไปกราบท่าน เ, นเป็นแบบนั้นจิตใจผมมัดเนยเี็นกันสองคนอย่าน <c oughs> เป็นอย่างนั้นนะครับคือ่ามันไม่เข้าใจเพราะเพราะคนนั้นไปทางคนลมัดบ้างคนไนี้โลภีก็ ไป<ด>ทางพนมักไปทางพนมัตก็ได้ดปทางประสูตก็เป็นแล้วคนโยมไปทางปร ะ, ไปไประสูนไปทางบุคลาพทศฐานาระทางพท่ันทานเนี่ยเอบาบัตรประชาชนไปเนี้นนยไแล้ใส่ใบใบเนี่ยเอาไ ป, าไ ป, าไปาไมีสา <niet wish that> แพเมตตาแพเมตตามี2ประเพณท่านคงจะแปรเมตตาจิตเลยในตอนนี้ผมก็ไมตตาเลยทา่าน่อไป